บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในตามรร้ชญาศาสนานั้นแม้จะมีการจำแนกแสดงหลักธรรมออกไปโดยวิจิตปิดาสรอย่างที่ศึกษากันอยู่แะนั้นเป็นเรื่องของปริยัต ที่จะต้องมีการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะเป็นผลของการทำงานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดระยะเวลา45ปันษากลุ่มของธรรมองค์ธรรมจึงมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าทรงแสดงธรรมแก่คนจำนวนมากซึ่งมีความหลากหลายในด้านพื้นเพรจริตอัทธยาัยประกอบกับช่วงระยะเวลามาก ทำให้ปริมาณของธรรมะที่พูดกันว่ามีถึง8 000, 000ปดหมพันพระธรรมคันก็คือมากกันเอเรยจดว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมที่มากที่สุดกว่าศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ทัานนี้ก็ไดยเงื่อนไขปัจจัยดังที่กล่าวแล้วก็คือว่าทรงสอนมากด้วยแล้วก็ดํารงประชดอยู่มากด้วยแต่เมื่อเรากล่าวโดยเนื้อหาแล้ว เป็นการแสดงสั่งสอนในเรื่องของอริยสัตว์ทั้งสประการนั่นเองอันเป็นกระบวนการของชีวิตซึ่งคนเราก็เกี่ยวข้องอยู่กับหลักของอารยสัตเพราะตัวคนแต่และคนนั้นเป็นที่ประชุมของอารยสัต ท, ทุกข์ก็เกิดแก่ชีวิตนี้สมุทัยคือกิเลสทั้งหลายก็อยู่ภายในจิตนี้ นิโรธคือความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตซึ่งเคยมีกิเลสนั่นเองแต่เมื่อกิเลสถูกทำลายหมดไปใจก็เข้าถึงนิโรธคือความดับทุกข์ได้มากคือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่เองพรรธะมาทั้งปวงจึงสรุปที่ชีวิตหรือที่จิตใจของบุคคลอย่างบางครั้งที่ทรงแสดงไ้ว่าทำทั้งปวงรวมลงที่จิตดวงเดียว วัยจะพูดจะจำแนกจะแสดงอะไรก็ตามกิดสืบสาวที่ไปที่มาแล้วก็ามาสรุปอยู่ที่จิตกระแสของความคิดที่ออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทาและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาทั้งสร้างสรรและทำลายนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากจิตของบุคลคลผู้กระทากรรมในกรณีนั้ น, น, น แต่การที่เขาต้องทําในลักษณะนั้นก็เพราะการเกิดขึ้นของกิเลสบ้างของธรรมะบ้างในขณะก่อนที่จะกระทํำกันจึงสามารถตรวจสอบพิพจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลแต่ละคนได้เพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นได้ผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านความสมหวังความผิดหวังการรับการยกจ้อ ง, องการถูกตําหนิติเียนเป็นต้นกันมามากกว่ามาก สิงเหลนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุเมื่อเราสืบสาวแล้วก็จะพบว่าผลนั้นเกิดขึ้นมาจากการกระทําทางกายบ้างทางวัจจบ้างแต่ถ้าสาวต่อไปว่าทําไมจึงเกิดการกระทําในลักษณะนั้นก็ตอบว่าเกิดขึ้นมาจากจิตที่คิดก่อนทําก่อนพูดถ้าถามมาทําไมจิตจึงคิดอย่างนั้นก็ตอบได้ว่า เพราะความรู้สึกที่กอบด้วยกุศลในอกุศลเกิดขึ้นปรุงจิตก็ทำให้พูดได้คิดก็ไหลเป็นกระบวนการนะักดีกราวแล้ว ป, ป, ป, ปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติจึงมาเน้นที่จิตระดับของศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีหรือว่าศารศีลภาวนาก็ดีตัวการหลักจริงๆมันอยู่จิตจิตแม้ในเรื่องทานจะอาศัยรูปรวัตถุ ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่เหลือเือกูลในเรื่องปัจจัย4ี่ก็ตามแต่นั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นอาการหรือเป็นผลที่ปรากฏมาจากจิตซึ่งมีความเสียสละมีความเคารพมีความศรัทธามีความรักเป็นต้นก็ทําให้บุคคลได้บริจาคทานออกไปแต่ในขณะเดียวกันผลของทานที่บริณีีกลับเป็นเรื่องของจิตใจ ที่สามารถทํากิเลสได้ลดละลงไปจางลงไปคลายไปมันเท่าไปจนถึงกระดับไปในที่สุดในจุดที่ประณีต จ, จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุธรรมแต่เป็นเรื่องของการสละกิเลสเพียงอย่างเดียวแต่เช่นอภยทานนั้นบึงสังเกตว่ามันเกิดขึ้นมาจากจิตที่ไปผูกใจเจ็บ ต่อการกระทาบ้างต่อการพูดบ้างของบุคคลบางพวกและเกี่ยวเนื่องกับบุคคลเหล่านั้นจะถามว่าความรู้สึกเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าก็ตอบว่ า, วายังไม่เคยสำหรับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นแต่ที่เกิดขึ้นเพราะใจไปให้ความสำคัญแก่การพูดแก่การกระทาของบุคคลเหล่านั้นมีการกาหนดหมายว่าเป็นการพูดที่ไม่ดีหรือการกระทำที่ไม่ดี มีผลในการเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนในแก่เราเราก็เกิดผูกใจเจ็บแล้วเกิดความมาคาดพยาบาทขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตบุคคลสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่โกรธนั้นใจมีความสงบเยือกเย็นแต่พอเกิดโกรธขึ้นมาความสงบเยือกเย็นที่เราชอบรเรายินดีพอใจต้องการนั้นได้หายไปถามทําไมจึงหายไปเพราะใจในขณะนั้นมีความโกรธ ทำไมจึงมีความโกรธเพราะว่ามีคนมากระทําให้เราโกรธแต่ถามว่าอย่างเดียวหรือเปล่าถ้ามองเผืนๆโดยไม่ใช้เหตุผลพินิพิจารณาแล้วก็คล้ายๆจะอย่างเดียวหมายความว่าถ้าไม่มีคนมาทําให้เราโกรธเราก็ไม่โกรธแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วแม้จะมีการทําให้เราโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผู้บงการให้เกิดความโกรธจนมีการแผดะโผขึ้นภายในจิตจึงไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่จิตของบุคคลในขณะนั้นเป็นการกําหนดอารมณ์ขึ้นในขณะนั้นความโกรธก็เกิดขึ้นฟันบุคคลเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองดูถึงกระบวนการของอิเลชหรือของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ก็มองถึงผลที่ตนเคยสัมผัสก่อนหน้านั้นจะว่นั่งสงบสงบอยู่แล้วก็มีคนมากระทําให้โกรธในช่วงในช่วงก่อนหน้านั้นเรามีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสบายใจแต่พอเกิดโกรธแล้วสิ่งเดล่านั้นได้หายไปหมดปัญญาก็จะเกิดพิจารณาเทียบเคียงระหว่างจิตที่กำลังถูกแผดเผาด้วยความโกรธอยู่ในขณะนั้ น, น, นและช่วงก่อนหน้านั้น ว่าเราได้รับความสุขความทุกข์แตกต่างกันอย่างไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในขณะนั้นเมื่อเคยมีการจําแนแกแยแยออกไปได้อย่างชัดเจนแล้วก็สลัดความโกรธคือการปลูกโกรธหรืออาฆาตพยาบาทหรือจองเวรอะไรต่างๆไปไม่พยายามที่จะให้ตัวเองเป็นฆาตศึกต่อตัวเองแต่วําทำยังไงใจจริงๆริง เพราะยังไงยังไงก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคนคือเราหลีกดีคนไม่ได้เพราะเราก็เป็นคนต้องอยู่ร่วมกับคนก็พยายามที่จะการให้อภัยต่อบุคคลเานั้นให้อภัยจึงกลายเป็นอภัยทานผลที่เกิดนั้นที่จริงเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนชั่วเป็นคนดีได้แต่ว่าจิตใจเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด พ้นการบาเพ็ญระดับทานจึงสังเกตว่าก็เป็นการสละกิเลส ท, ที่มีผลเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้สละนั่นเองก่อนแล้วจึงจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นหรือในกรณีของอภัยทานนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นแก่เขาเลยก็ได้หรือการที่เราให้อภัยเขาก็อาจจะคิดว่ารบกลัวเขาก็ได้แล้วจะคมเหงนเรามากขึ้นก็ได้แต่ว่าความดีเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทำ ตัวชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามกระบวนการของกรรมอนที่สุดแก่เราได้ทำความดีแล้วเราเกิดเราเคยถูกอานาจของความโกรธครอบงาขณะนี้ก็สลัดความโกรธออกไปแล้วก็มีความรู้สึกในทํานองให้ไพยต่อบุคคลนั้นแล้วส่วนเขาจะเป็นยังไงนะั้นเป็นเรื่องของเขาทำไมจาเป็ น, ปนต้องไปเดือดร้อนจะต้องไปวุ่นวายไปให้เขาเป็นก่อน และเราจรึงจะเป็นซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นสังเกตว่าจะมีการต่อรองให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นก่อนแต่มาเกิดไม่พอใจกันก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งง้องก่อนอีกฝ่ายหนึ่งให้แอร์พก่อนนที่จริงความดีนั้นน่าจะแย่งกระทํามันก็ทําลองคล้ายๆกับมือเราเพื่อนเนต่างคนต่างเปื่อนคิดว่าเพื่อนก็เพื่อนเราก็เพื่อนเราขอให้เพื่อนล้างมือก่อนแล้วเราจะค่อยล้าง มันไม่ได้เกี่ยวกันคือถ้าเขาล้างมือเขาก็สะอาดเราล้างมือเราก็สะอาดแต่เราล้างก่อนเราก็สะอาดได้ก่อนแล้วเขาไม่ล้างมันก็เป็นเรื่องของเขาเองแต่เขาล้างเขาก็สะอาดแือวพ่อเขาก็ไม่ได้ช่วยเราสะอาดขึ้นมาหลักเหล่านี้พระเจ้าทรงวางไว้แล้วก็พูดรับสั่งกับชาวบ้านนะเราสั่งว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวบุคคลนั้น คนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธินั้นไม่ได้จะทำได้แต่เป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นตัวเหตุเช่นว่ามีการอบรมชี้แจงแนะนำสั่งสอนห้ามปรามหรืออาจจะลงโทษแต่ว่าจิตสานึกจะเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่เขาเองถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าสามัญชนเท่านั้นที่ทำไม่ได้ ถ้ามาบุกบดบางพวกแม้พระพุทธเจ้าเองแต่ก็ทํ า, าทไม่ได้เพราะเขาไม่พร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าก็ทําได้แค่เทศแค่ชี้แจงแนะนําสั่งสอนเหตุผลให้บุคคลเหล่านั้นได้เกิดความเ ข, ข้าใจก็น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลแต่ถ้าเขาไม่น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเขาก็ไม่เกิดผลเพราะการปฏิบัติธรรมะในระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความสงบ รัทานนั้นพึงสังเกตว่าซึง่งบทานที่เป็นวัตถุทานคือซึ่งบไปทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะมันเริ่มต้นการให้ทานนั้นเริ่มต้นที่อมโมหะคือความไม่ตรงจะต้องมีความคิดที่กรอบด้วยปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งทีงนี้คนอื่นก็เดือดร้อนก็เกิดความสงสารแล้วก็ช่วยเหลือเขา เห็นคุณงามความดีของบุคคลของสถาบันเหล่านั้นแล้วก็เกิดศรัทธาบ้างเกิดความถึงรักปัิบัติบ้างเกิดความพอใจชอบใจบ้างก็บริจาคส่งเสริมสนับสนุนบูชาคุณความดีของท่านเหล่านั้นถ้าสถานร้านเป็นอาการของปัญญาเป็นอาการของเมตตาเป็นอาการของความกิดตันอยู่ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นก่อน แล้วจากนั้นก็ออกมาในรูปของการให้ทานแต่บางครั้งอุปสรรคของการให้ทานนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวโลภะแต่มันไปอยู่ที่ตัวโทสะคือพอดีเราก็ไม่ชอบบุคคลเหล่านั้นตั้งๆที่เรามีทรัพย์มีความพร้อมที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นได้แต่สม บ, บัตบุคคลนั้นเราสงเคราะห์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีของที่จะสงเคราะห์หรือไม่พร้อมที่จะสงเคราะห์ แต่ว่าไม่ชอบใจบุนคคลนั้นความไม่ชอบใจนั่นเองจะเป็นตัวขัดขวางเอาไว้เพราะเมื่อมีการทรงเคราะห์ได้มีการให้ทานได้ก็แสดงว่าในขณะนั้นจิตได้ถูกขจัดโทสะภายในจิตนั้นได้ถูกขจัดออกไปความวงความเจ้าดายในทรัพย์สินของต่างๆก็หมดตามไปด้วยเพราะจะเป็นการขจัดทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะ พอถึงระดับของอภัยฐานที่มีการให้อภัยเราพูดได้นะแต่ที่จริงแล้วในภาคปฏิบัตินั้นพอไรเพราะการผูกโกรธก็ดีความโกรธก็ ด, ค ด, กดีความอาทุสร้ายก็ดีความอาฆาตปราบาตก็ดีนั้นท่านเรียกว่าเป็นอุปกิเลสคือมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะมีรอยช้ำอยู่ภายในใจผสมกับเชื้อของความโกรธ ที่มีอยู่ดั้งเดิมภายในจิตของคนมันก็กลายเป็นเชื้อที่มีกําลังมากขึ้นาการจะขจัดความโกรธออกไปจนกลายเป็นการให้อภัยนั้นจะต้องใช้ปัญญาพีนิติจณาถึงขุนถึงโทษตามกระบวนการของกรรมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วและในที่สุดก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทาก่อนข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้แกกลุ่มบุคคลทั้งหลายว่าเวลากระทำดีเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครทำก่อนก็ต้องพยายามรีบเร่งทำสักกนเพราะในคติธรรมดาของชีวิตนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความตายนั้นไม่รู้จะปรากฏเมื่อไรความตายได้เกิดขึ้นทุกขณะทุกคนทุกแห่งและทุกชั้นวัยของบุคคลเพราะงั้นช่วงโอกาสที่ศรัทธาบังเกิดขึ้นมีความพร้อมที่จะทาความดีให้ร จำนวนบาลีใช้คําว่าอหางบุเรอคำบุเรอคือฉั้นก่อนชั้นก่อนชั้นก่อนแต่ถ้ากระทําทความชั่วแล้วต้องถอยหันอาการความคิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาได้ไม่เกิดขึ้นจากอมโมหะคือปัญญาที่ทำหน้าที่กระจัดความหลงออกไปจากใจก่อนถ้ายังมีความหลงไม่มีเหตุไม่มีผล การจองเวรการอาฆาตพยาบาทต่างๆนั้นพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะขยายผลพร้อมที่จะสร้างเป็นโมรดกแล้วก็สืบทอดกันไปหลายชั่วอายุคนเราจึงพบว่าคนบางหมู่บางชาติในโลกนี้มีการปลูกอาฆาตพยาบาทกันผ่านการเวลาไปหลายหลายพันปีทั้ง4 5, ี่ห้าพันปีหรือบางแห่งก็ตั้ง7 8พันปี ย้อนประวัติศาสตร์ไปไม่ว่าตรงไหนก็ตามแตะตรงนั้นแล้วก็เจอกันาคาดพยาบาทกาันห้ามพันหักล้างทำลายกันอยู่ตลอดนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะความโกรธมันเกิดขึ้นกับใจคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วก็พยายามที่จะสร้างแนวร่วมคือดึงคนอื่นให้มาโกรธเช่นเดียวกับที่ตัวเองโกรธแต่การดึงมานั้นจะต้องมีวิธีการอื่นมาดึงยกตัวอย่างแนวการ ในร่วมของรศแกนรถสแก์นั้นประพฤติไม่สุจริตไปโมยนางสีดามาอาี่ทรานกันแต่ว่าเวลาไปชักชวนพวกญาติวงศของพระองค์เข้ามาทำสงครามตลอดถึงมิตรสาหายลูกหลานวันเครือนั้นคือท่านเอาศักดิ์ศรีขึ้นมาพูดถือว่าเป็นวงพรมเมตมนุษย์ตัวก็จ้อยร่อยจะมาดูหมินวงพรมเมตถือว่าเป็นการทาลายศักดิ์ศรี เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของท่านพราะมนุษย์ที่มีอัตตาตัวตนมันใหญ่ยอยู่แล้วในสุดมันก็เการอรุนแรงเป็นมหายุทธสงครารมระเกียดมันก็เกิดขึ้นหยุดเยือยาวนานเดี่ยวทีได้ศึกษากันตัวการจริงๆมาความโกรธมันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งก่อนท่านนั้นเอง แต่ถ้าเราไม่ให้ลุกหลามคล้ายกันโรคคือใครที่มีโรคติดเชื้อคือสามารถที่ระบาดได้แต่แก้ปัญหาที่คนนั้นไม่ไปแพร่เชื้อแก่คนอื่นโรคมันก็สงบแต่บาที่นําไปแพร่เชื้อตัวอย่างที่เราเรียนในชาติเจนอาหิวระาบาดเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งก็รีบรักษาที่คนนั้นป้องกันคนนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นโรคอาหิวก็สงบในจุดนั้นไม่ระบาดถึงคนอื่นแต่บางทีมันก็ระบาดออกไป กิเลสก็มีอาการอย่างนั้นคนเราอาจจะโกรธหรือโลภในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วดึงคนอื่นเข้ามาโลภหรือโกรธด้ว ย, ดดวยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดเส่นในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยมีปัญญาเกิดขึ้นมากพอก็ตัดเชในช่วงนั้นเช่นว่าใครทำให้เราโกรธเราหยุดตรงนั้นก่อนไม่เอาไปเล่าไม่ไปบอกใครไม่ไปบอกลูกบอกเมียไม่บอกปัญญาสามีไม่บอกเพื่อนฝูง แล้วก็แก้ที่ปัญหาที่ตัวเราเรื่องมันก็ยุติท่านั้นแต่ที่เกิดยืเดเยื้อยาวนานได้นั้นก็เพราะมีการแพร่เชือ้อมีการขยายผลออกไปแล้วก็สั่งเสียลูกหลานกันไปโดยดับๆตำนองใกล้ๆกับเรื่องจีนหนังจีนกํบบาลังภายในที่เราเห็นได้ว่ามันมีการขยายผลแพร่เชื้อของความโกรธออกไปเป็นมรดกลูกหลานก็กลายเป็นทายาทของความอาฆาตแค้น จิงช่งเป็นการสร้างสังคมเด็กข่าผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นวงจรที่ที่แก้กันไม่ตกเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมองเห็นโทษเป็นระบบที่ต่อเนื่องอย่างนี้ได้การปฏิบัติจึงเกิดขึ้นจากการตัดไฟแต่ต้นลงโดยหาข้อยุติในกรณีพิาพาท ในตอนแรกเราไม่มุ่งไปแก้ที่เขาแต่มุ่งแก้ที่เราคือเราเองไม่ถือโกรธไม่ผูกโกรธเอกไปแล้วก็ให้อภัยแก่เขาเขาอาจจะไม่ให้อภัยอะไรก็ได้คล้ายๆที่พระพุทธเจ้าไปถือสาหาความอะไรแก่พระเทวทัศน์แต่พระเทวทัตน์องมาหยุดสักทีหนึ่งแต่ว่าตอนสุดท้ายเราก็เห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าคงเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตน์กลายจากพระเทวทัต์เป็นสัตว์นรกอเวจีไปนี่คืออะไรนะ คือในขณะที่กิเลสไม่มีอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจา้าแต่กิเลสกรเพิ่มขึ้นภายในใจของมัติวัฏฏะเป็นการกระทำที่รุนแรงเรื่อยๆไปมาโดยดําดับจนในที่สุดแม้ธรณีก็ทานต้านทา น, ทา น, ทา น, ทานไว้ไม่อยู่แตะตกนรกก็ไปจีกลับไปเลยมันตัวอย่างบุคคลเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ปัญญาจะเข้าไปสอดสองพิจารณาเทียบเคียงถึงคุณถึงโทษของกุศลและของอกุศลได้ แล้วก็เกิดเป็นการให้อภัยเพราะการให้อภัยนั่นเองก็กลายเป็นการขจัดโทสะโทสะจากไหนคือจากใจจากใจที่ไม่เคยมีโทสะในกรณีนั้นแต่มันก็เกิดมีขึ้นมาบัญญาก็พิจารณาอินโทษพิจารณาอินโทษแล้วก็ขจัดความโกรธเหล่านั้นออกไปก็กลายเป็นการให้อภัยฐานลักษณะของความโกรธที่เคยหรือมีเข้า เพราะว่าโดยโดยทั่วไปแล้วจะมีการขยายออกไปสู่กลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนผู้กโกรธเป็นอันมา ก, กนั้นมันก็สงบรจ ย, ยด่แดจุดหนึ่งบุคคลก็พร้อมที่จะปรับติดจิตตัวเองให้เป็นพื้นฐานของความสงบขึ้นโดยลำดับเป็นการสงบเวรสงบไปไว้ในช่วงนั้นบุญกุศลในเรื่องนี้ก็จะมากกว่าเดิมางนี้ท่านสาธชนได้โปรดสังเกตว่า ปริมาณของบุญกุศลนี่มันอยู่ที่การขาจัดกิเลสได้มากหรือน้อยและกิเลสที่เราขาจัดนั้นมีโทษมากหรือมีโทษน้อยถ้าว่ากิเลสมีโทษน้อยขจัดออกไปก็มีคุณน้อยกิเลสมีโทษมากขาจัดออกได้มากก็มีคุณมากกิเลสทั้งสามกลุ่มนี้กิเลสประเภทโลภะนั้นมีโทษน้อย แต่คลายได้ช้าแต่นั้นเองกิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายได้เร็วกิโลกิเลสประเภทโลภะโมหะนั้นเป็นจอมกิเลสเป็นโคตรรากง้าของกิเลสมีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้าด้วยเพราะคนที่จะกำจัดโมหะได้อย่างสิ้นเชิงในรัษณะถ อ, อ, อ, อนโครคถอนรากถอนโกรธไม่เกิดขึ้นมาอีกได้ก็มีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นโดยคนอื่นทําไม่ได้ เพราะเป็นเป็นเป็นรากเง้าจริงๆของกิเลส น, นั้นก็ทรงสอนในรูปฐานอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าธรรมฐานคือการให้เหตุผลชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นการกระทำอย่างนั้นจะต้องทำโดยพื้นฐานของธรรมะแต่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องมองเห็นถึงปัญญาถึงเมตตาถึง ความเสียสละต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการของการให้ธรำรด้วยการชี้แจงแนะนําสังสอนบุคคลเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกก็คือปัญญาซึ่งก็กลายเป็นบทสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของกิเลสในตอนแรกก็คือโมหะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกของธรรมะก็คืออมโมหะหรือปัญญา อมโมหานั้นปกติเราไม่เคอยออกมาพูดกันหรือไม่ค่อยคุ้นหูแต่จริงแล้วก็คือปัญญานั่นเองเพียงแต่ท่านใช้คําว่าอมโมหะตํานองใกล้ๆกับทศพิตรจะทำซึ่งท่านสาธุชนคงจะได้ยินได้ฟังในช่วงใ ก, กล้นี้อยู่มีคําบาลีอยู่สองคำที่ท่านใช้คําใหม่คือไม่ใช่ใหม่แต่เป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นว่าองค์ธรรมจริงๆคืออะไร ได้แก่อโกทังอวิหิงสา อ, อ, าสาอาโกทะอวิิงสาอาโกทังอวิหิงสัญจะอโกทะนั่นคืออะไรคือเมตตาคนไทยนั้นจะคุ้ณเมตตามากกว่าคุ้นอโกทะเพราะโกทะเราไม่ค่อยพูดกันแต่กับโกรธนี่เราพูดพูดจนกลายเป็นบรรทไทยพอมาถึงอโกทะก็คือเมตตาคือไม่โกรธได้แก่เมตตานั้นเราไม่ค่อยพูดเราพูดเมตตา ทำไม่ขดไม่ขุนวิหิงสาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวิหิงสานั้นแปลว่าความเบียดเบียนซึ่งเราไม่ค่อยพูดแต่เราพูดการุณาแล้วก็คล้องจองลงไปตามสูตรของโรมิหารคือเมตตากรุณามมจิตาเป็นคาแต่จริงอากูทากับอวิหิงสานั้นก็คือเมตตากรุณาซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการสงบของโมหะในระดับหนึ่ง ปรากฏอาการเป็นรูปของเมตตากรุณาซึ่งกวหมายความมาในขณะนั้นมันก็ไม่มีความคิดเบียดเบียนไม่มีความคิดที่ประกอบด้วยความโกรธอยู่ในบุคคลที่เราเมตตากรุณาอยู่ดังการเกิดขึ้นของธรรมะในกรณีที่เป็นธรรมทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมทานนั้นอย่าไปติดว่าจะต้องเป็นการเทศเป็นการบรรยายเป็นการสั่งสอนปาฏกถาพิปรายก็ไม่ใช่อย่างนั้น บางครั้งแม้กล่าวถ้อยคําเพียงประโยคเดียวแต่ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้สติเหตุผลแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นธรรมทานเพียงแต่จะต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนามุ่งดีหวังดีต่อบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นธรรมทานนั้นก็เกิดขึ้นมาจากปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นถึงคุณโทษต่างๆที่บุคคลทั้งหลายกำลังประสบอยู่และต้องการีจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้น ให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือบรรเทาวความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่ก็พยายามที่แจงเหตุผลคล้ายๆกับเห็นคนหลงทางก็เกิดสงสารเขาแล้วก็บอกกล่าวทางที่ถูกต้องให้เด็เขาทําให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยความสวัสดีการกระทําทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจาก จิตที่มีปัญญาพิจารณาเห็นคุณโทษดังกล่าวผลที่ได้รับเรามองคล้ายๆกับคนอื่นได้รับก่อนแต่แท้จริงแล้วเราได้รับก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นเราไ ด, ไ ด, ได้ได้กระจัดโมหะออกไปในขณะนั้นคือความดงได้กระจัดออกไปในขณะนั้นแล้วเรามองคนที่เราให้ทานญาติธรรมะเป็นทานมองคนที่เราสั่งสอนมองคนที่เราชี้แนะมองคนที่เรา ให้เหตุผลอะไรต่างๆก็ตามด้วยความเมตตากรุณาในตากรุณานั้นได้ขจัดอะไรก็ขจัดโทสะดังกล่าวแล้วแล้วเราให้ธรรมะเอกไปให้ความรู้ให้เหตุผลแก่บุคคลเหล่านั้นออกไปมันก็กลายเป็นทานคือการให้แต่นั้นในธรรมทานจึงทําหน้าที่ขจัดโลภะโทสะโมหะได้สูงเพราะอะไรเพราะเป็นการกระทําต่อบุคคลจํำนวนมาก แล้วคนนั้นก็มีความหลากหลายในตัวเขาความรู้สึกเดิมนั้นอาจจะไม่ชอบอยู่ก็มีอาจจะชอบอยู่ก็มีอาจจะเฉยๆก็มีแต่ว่าใจมีความสากลสูงขึ้นกระบวนการของธรรมาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในใจของบุคคลซึ่งก็เป็นผลให้จิตมีความส ง, งบประนีขึ้นไปโดยลําดับ เมื่อจะปฏิบัติระดับกรรมฐานมันก็ง่ายขึ้นแล้วอันที่จริงแล้วมันก็การปฏิบัติกรรมฐานก็คือการสงบกิเลส ท, ทั้งสามสายนี้เช่นเดียวกันดังนั้นจะพบว่าในแง่ของการละกิเลสมัจะพูดโดยประยายอะไรก็ตามคือจับตรงใดก็ตามไม่ควรจะไปติดใจว่าทําไมตรงนั้นทําไมตรงนี้ตรงนี้ธรรมะต่าไปสูงไปที่จริงไม่มีสูงไ ม, ม่ต่ำาต่ธรรมะสูงเท่านั้น คือสูงกว่าพื้นฐานทางจิตเราเช่นสมมติเราการให้ทานทางที่กล่าวแล้วบุคคลบางคนอาจจะรู้รรสึกว่าธรรมะต่ำๆจริงๆก็ไม่ต่ำไป น, นะเพราะอะไรเพราะว่ามีเป็นอ น, นมากที่เราให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะความโกรธบ้างความสนิทบ้างความขราวบ้างกัดขฟังเอาไว้ก็ทําให้เราให้ไม่ได้ ธรรมะทั้งหลายจึงเป็นข้อเป็นบาตรที่เกื้อกูลต่อกันอะไรกันและบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงเริ่มที่ทานเท่านั้นเองสอนปรับจิตบุคคลขึ้นไปเรื่ อ, อ, อยๆจะแนวของอนุพุทธกถาอริยสัจสี่ที่เราเรียกว่าเป็นคำสั่งสอนเร่งสุดสอนมากที่สุดนั้นที่จึ่มก็เริ่มอยากทานปรับจิตของบุคคลให้ประนีตขึ้นไปโดยลําดับพอถึงจุดหนึ่งมันก็สูงก็สูนิมขพนิพานหก็เข้าอริยสัจสี่ไปได้ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อ